ว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องมีก็เรื่องเป็นทุกข์เพราะอยากมีนะอยากได้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากได้รับความสำเร็จ อยากมีแฟนอยากมีคนรักถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อาจจะอยากมีอยากได้คุนวิเศษนอกจากเรื่องมีก็เรื่องเป็นก็เหมือนกันนะถูกเพราะว่าอยากเป็นอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนเพรียวผอมอยากเป็นที่รัก ถ้าเป็นพระอาจจะอยากเป็นพระราชาคณะนาเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะเป็นพระโสดาบันพอมีความอยากไม่ว่าอยากมีอยากเป็นแล้วก็ทุกข์นะไม่ว่าสิ่งที่อยากมีอยากเป็นนั้นมันจะอยากหรือประณีต ก็สามารถทำให้เป็นทุกข์ได้ในสาสนพุทธการก็มีภิกษุภิกษุณีหลายท่านนะท่านอยากได้ความสงบจากจะเป็นพระยบุคคลแต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ได้สมอยาก ก็ท้อแท้มีความทุกข์อาจจะสืบหาราเพศไปก็ก็ไม่กล้าหรือว่ากลัวก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าพอลงมือฆ่าตัวตายแล้วนี่ปรากฏว่ามีมีได้คิดขึ้นมามีสติ เกิดปัญญาเห็นธรรมเข้าใจเห็นชัดเลยว่าโอสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งนะไม่นายึดถือยึดถือไม่ได้เลยก็สลัดวางบรรลุธรรมได้ก็เลยมีเรื่องเล่านะพอกลายเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกให้เรารู้ว่าอ๋อก็มีพระ จำนวนไม่น้อยนะที่ท่านทุกข์เพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นซึ่งก็ล้วนแต่สิ่งที่อยากมีอยากเป็นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประนีตไม่ใช่เป็นสิ่งที่หยาบเหมือนชาวโลกทั่วไปต้องการไม่ได้อยากเป็นพระราชาไม่ได้อยากเป็นพระจกักรพรรดิไม่ได้อยากมีเงินมีทองมีประสาทช่องอะไรแต่ว่าอยากได้ อยากเข้าถึงธรรมอยากได้เป็นพารยบุคคลก็ทำให้ทุกข์ได้อันนี้พูดนะถึงความอยากนะแต่ครั้นเกิดได้มาแล้วนะมีแล้วก็ทุกข์อีกนะทุกข์เพราะรู้สึกว่ายัางมีไม่พอหรือว่าทุกข์เพราะกลัวจะเสียนะสิ่งที่มีไปเพราะว่ามี กับหมดเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะได้กับเสียนี่เป็นของคู่กันพอได้มาแล้วก็กลัวเสียพอมีแล้วก็กลัวหมดหรือว่ากลัวคนมาแย่งเอาไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะไม่ต้องพูดถึงว่าเกิดมีคนแย่งเอาไปจริงๆหรือว่าเกิดหมดจริงๆหรือว่าเกิดเสียไปจริงๆก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่เป็นก็เหมือนกันนะ แม้ว่าจะได้เป็นอย่างที่หวังเป็นคนเก่งเป็นคนสวยนะเป็นผู้นำก็กลัวกลัวว่าจะจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่กลัวจะสูญเสียตำแหน่งกลัวจะสูญเสียสภาวะที่เป็นอยู่คนที่สวยก็ ก, กลัวแก่นะ คนที่เพียวผอมก็กลัวอ้วนก็กังวลคนที่เป็นผู้นําก็กลัวสูญเสียความเป็นผู้นําจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดการผู้อํำนวยการก็กลัวจะสูญเสียตําแหน่งนั้นไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งแม้กระทั่งเป็นคนดีนะก็ยังทุกข์นะเวลาเห็นคนอื่นดีกว่า ก็เกิดความไม่พอใจอยากจะอิจฉาเขานะนนี้เรียกว่าทุกข์เพราะมีกับทุกข์เพราะเป็นนะคนเราเนี่ยจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้เนี่ยความทุกข์ของคนเราก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละเรื่องมีเรื่องเป็นแต่จะทํำยังไงอ่ะเพราะว่าไอ้มีกับเป็นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับเราอยู่แล้ว ไม่อยากมีมันก็มีนะเช่นทรัพย์สมบัตินะไม่อยากเป็นแต่ก็ยังเป็นนั่นทำยัไงถึงจะมีแล้วโดยไม่ทุกข์นะทำงานจะเป็นแล้วโดยไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นเป็นเป็นโจทย์ข้อใหญ่นะนมีให้เป็นนี่ก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอยไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเรา จะไปยึดอยากให้มันเที่ยงเพราะว่าอย่างไนมันก็ไม่เที่ยงยิ่งเราไปยึดว่ามันเป็นของเราเท่าไหร่นะไปไปมาๆนี่เรากลายเป็นของมันไปเลยนะเรายึดว่าหรือเราสําคัญบั่นหมายว่าบ้านเป็นของเราพอบ้านถูกไฟไหม้นี่หลายคนอยากจะกระโจนเข้าไปในกองไฟ หรืออยากจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ไฟมันดับไปก็กลายเป็นศพนะยึดมั่นว่าเงินเป็นของเราพอมีโจรมาปล้นนะเนื่องจากความหวงแหนเงินนั้นก็เลยขัดขืนต่อสู้เพื่อจะรักษาเงินเอาไว้ให้เป็นของเราต่อไป ก็กลายเป็นว่าถูกโจนนั้นฆ่าตายหลายคนยอมตายเพื่อเงินอันนี้ก็แสดงว่าเงินไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นของเงินสร้อยคอแหวนเพชรก็เหมือนกันพอมีแล้วเนี่ยเราก็ยึดมาเป็นของเราโดยที่ไม่เฉลียวแจวว่ายิ่งเรายึด ว่ายึดมันว่าเป็นของเราเท่าไรเราก็กลายเป็นของมันมากทด น, นั้นไฟไหม้ไฟไหม้บ้าน <Yeah. S 1> เพชที่เก็บเอาไว้ <Yeah. S 1> ก็เป็นห่วงอยากจะเก็บมันเอาไว้หรือว่ารักษามันให้ปลอดภยัยก็เลยเ yeah. ข้าไปในบ้านที่กำลังโหมลุกไหม้ก็กลายเป็นว่าตายเพราะเพชร ท ด, ทดแทนที่มันจะเป็นของเราเรากลายเป็นของมันแทนอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่เขายอมทำชั่วนะเพื่อเงินยอมคอร์รัปชันยอมไปไปฆ่าไปแกงคนอื่นเพื่อเพื่อเงินถ้าจะหากว่ายอมยอมยอมทำถึงขนาดนั้นเนี่ยเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อทรัพย์สมบัติ หรือว่าเพื่อตำแหน่งเนี่ยมันก็แสดงว่าไอ้ของเรานนเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเรอเป็นของมันอันนี้เรียกว่ามีไม่เป็นนะคือถ้ามีถ้ามีให้เป็นเนี่ยนะถึงเวลาที่ต้องเสียก็พร้อมจะเสียและเมื่อเสียไปแล้วก็ไม่เสียดงเสียดาย ไม่ใช่ว่าพอเสียไปแล้วนี่ก็กลุ้มอกกุ้มใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับที่เสียรถไปนะเสียเงินให้เงินเขายืมไปแล้วก็ไม่คืนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่เป็นอันทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นของมันแล้วเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่า มีไม่ถูกนะมีไม่เป็นถ้ามีเป็นนี่เราก็ปล่อยวางได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเสียมันไปไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องยอมตายเพื่อมันหรือว่าไม่ถึงกับว่าเจ็บป่วยเพราะมันถ้าคนที่วางใจแบบนี้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นเจ้าของนะเป็นนายของทรัพย์ เป็นนายของเงินไม่ใช่ว่าปล่อยให้เงินเป็นนายเราไม่ใช่ปล่อยให้ทรัพย์เป็นนายเราหรือว่าปล่อยให้ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งนี้มาเป็นนายเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็กลายเป็นของมันไปนเลยลคนส่วนใหญ่นี่มีไม่เป็นนะมีไม่เป็นก็คือมีอย่างไม่รู้จักใช้ปัญญาก็เลย ทุกเพราะมันทุกเพราะการมีนั่นแหละไอ้เป็นนี่ก็เหมือนกันนะพอเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ชอบจะเป็นได้ตลอดนะเป็นผู้อำนวยการเป็นปรัหลัดกระทรวงนะเป็นซี o โอหรือแม้แต่เป็นคนสวยคนเก่งไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงความเป็น เหล่านี้เนี่ยมันแปรปวนไปได้คนเก่งนะสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนเก่งกว่ามาแทนที่สักวันหนึ่งสังขารร่างกายก็ร่วงโรยบางทีสมองเสื่อมที่เคยเขียนหนังสือได้คราวนี้เริ่มเขียนไม่เป็นตัวแล้วมีนักเขียนคนหนึ่งนะ แกเป็นคนเก่งมากนะเพมิเวเป็นนักเขียนชาวอเมริกันได้รางวัลโนเบลแล้วก็เป็นที่ยกย่องมากแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อแกรู้ว่าเริ่มจะเขียนหนังสือไม่เป็นตัวแนละ้วสมองเริ่มเสื่อมเขียนอะไรไม่ค่อยออกก็ทุกข์มากนะไอความสำคัญแมาแตว่าฉันเป็นนักเขียนเก่งระดับโลกนี้มัน มันกำลังจะทิกผันเแสรวทำใจยอมรับไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่ายอมรับความเป็นอนิจจังไม่ได้หรือว่าคนที่ทำร้ายกันฆ่าฟันกัน พอกลัวว่าเขาจะมาแย่งตาแหน่งของตัวจะมาเป็นนายรัฐมนตรีแทนจะเป็นประธานาธิบดีแทนอันนี้ก็หรือจะเป็นเป็นพระราชาแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินบ่อย mm. ก็คือว่ากลายเป็นทาตของตาแหน่งไอสิ่งที่เป็นนั่นเนี่ยมันกลับนำความทุกข์มาให้ถึงกับ ทำให้ทำความชั่วได้ความชั่วนี่พอทำแล้วนี่มันก็ทุกทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าอาจจะตามไปถึงพรหน้าด้วยเพราะว่าได้สร้างวิบากกรรมเอาไว้ถันเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในสิ่งที่เป็นนี่มันก็ไม่เที่ยงอนะันที่พูดนี่หมายถึงการเป็นสิ่งที่ดีๆนะ เป็นคนเก่งเป็นผู้นำเป็นเป็นผู้อำนวยการแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่ดีๆอย่างที่คนเขาอยากกันแค่เป็นสิ่งที่มันธรรมดาธรรมดาเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนไทย อันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นไม่ถูกกันนะเพราะว่าให้เป็นแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ถ้าทําใจไม่ถูกก็มีความทุกข์เป็นแม่ก็ทุกแบบแม่เป็นพ่อก็ทุกแบบพ่อเป็นลูกก็ทุกแบบลูกเป็นคนไทยก็ทุกแบบคนไทยเป็นสิทวัด เป็นพระลูกวัดก็ทุกแบบพระลูกวัดเป็นเจ้อาอาวาสก็เป็นทุกแบบเจ้า อ, อาวาสเพราะว่าเป็นแต่ละอย่างเนี่ยนะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยพอไม่มีพอมันไม่ได้เจอไม่เป็นดั่งใจนะก็มีความไม่พอใจเกิดความทุกข์ อย่างนี้นก็คือว่าเวลาเราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีกิเลสติดมาด้วยเช่นเป็นแม่ก็มีกิเลสของแม่เป็นพ่อก็มีกิเลสแบบพ่อเป็นลูกก็มีกิเลสแบบลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีกิเลสแบบพ่อแม่อย่างไรบ้างก็เช่นอยากให้ลูกเชื่อฟังนะอยากให้ลูกเคารพพ่อแม่ ถ้าเกิดลูกไม่เคารพพ่อแม่นี่แม่ก็โกรธแม่ก็ทุกข์บางทีก็น้อยใจเคยมีนะเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยแม่เห็นลูกเนี่ยเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นแต่เกมออนไลน์สมัยนั้นยังไม่มีเฟซบ o ๊กด้วยซ้ำนะแล้วลูกก็เอาแต่เล่นจนกระทั่ง ไม่หลับไม่นอนหรือว่าตื่นสายบางทีก็ไม่ทำการบ้านแม่ก็ต่อว่าลูกลูกก็ไม่เชื่อตอนหลังพอแม่พูดแรงๆลูกก็เลยไม่คุยกับแม่พอลูกไม่คุยกับแม่แม่ก็เสียใจพย า, ายามทาเท่าไหร่ลูกก็ไม่คุยกับแม่แม่เลยย่งคาขาดว่าในถ้าลูกไม่คุยกับแม่ นะแม่จะโดดโดดตึกนะไอ้ลูมก็ใจเด็ดนะก็ไม่สนใจบอกว่าแม่นี่เสียใจมากคงน้อยเนื้อต่ำใจด้วยก็เลยโดดตึกตรงต่อหน้าต่อตาลูกเลยนะโดดลงมาจากระเบียงตายาแม่นี่เป็นทุกข์มากเพราะอะไร เพราะว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังแม่ให้ความทุกข์เนี่ยเกิดจากกิเลสของแม่อยากให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังพอลูกไม่ไม่ทำตามก็โกรธเสียใจกิเลสของลูกก็เหมือนกันนะก็อยากจะให้แม่นี่รักลูกหรือรักตัวเองเท่าๆกับคนอื่นหรือว่าอาจจะมากกว่าคนอื่นด้วย พอรู้สึกว่าแม่ไม่รับตัวเองเท่ากับพี่น้องคนอืึ่งก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้กิเลสนี้เข้ามาครอบงาได้มันทางที่ดีคือไม่เป็นอะไรเลยนะในสายพุทธการเนี่ยนะก็มีเรื่องเล่า ว, ว่าคราวหนึ่งพรามเนี่ยพรามชื่อโทนัพพรามเห็นพระพุทธเจ้า เป็นการเห็นครั้งแรกก็ก็ประหลาดใจเพราะว่าผู้เจ้าท่านมีบุคลิกลักษณะที่งดงามมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็เลยถามผู้เจ้าว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระเจ้าก็ปฏิเสธถามถามว่าท่านเป็นคนทันหรือคนทันนี่ก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งนะที่เกี่ยวเรื่องดนตรี ผู้เจ้าก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นท่านเป็นยักษ์หรือผู้เจ้าก็ไม่ได้เป็นปฏิเสธท่านเป็นมนุษย์หรือเราคิดว่าผู้เจ้าน่าจะยะน่าจะรับนะพระองก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เป็นมนุษย์พราม์ก็เลยงงตกลงว่าท่านเป็นใครผู้เจ้าก็จัดว่ากิเลสที่จะทําให้เป็นเทวดาเป็นคนท่านเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เราไม่มีแล้วนะ อันนี้ท่านอาจจะหมายความในแง่ที่ว่ากิเลส ท, ที่ทําให้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าไม่มีแล้วหรือว่ากิเลส ท, ที่จะทําให้เกิดความสําคัญมันหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ท่าไม่มีแล้วงั้นพระเจ้าเป็นอะไรนพระเจ้า ต, ตัดว่าก็ให้เรียกเราว่าพุทธะก็แล้วกันคือพระเจ้าท่านไม่เป็นอะไรทั้งที่เราก็มองให้ท่านก็เป็นมนุษย์นะ แต่ว่าความเป็นมนุษย์นี่มันก็เป็นสมมุตินะพพุทธจา้านี่พรงเนี่อยู่เหนือสมมุติล้วแต่ก็ยอมรับสมมุตินะแต่ว่าใจนี่ท่านไม่ได้ก่อเกี่ยวด้วยคือไม่สําคัญม่นหมายไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นที่เป็นนั่นเป็นนี่นี่ก็เป็นสายตาของคนอื่นที่มองแต่ว่าพระุจา้านี่ท่านไม่สําคัญมันหมายไม่เป็นอะไรเลย เพราะว่าถ้าสำคัญมั่นหมายเป็นอะไรมันก็จะยังมีความทุกข์เพราะการเป็นสิ่งนั้นอยู่เอาที่พูดผู้บรรลุธรรมแล้วนี่ท่านพนไปพ้นสมมุติละวแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสมมุตินะก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าคนธรรมดาก็ยังอยากจะสมมุติว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเรื่องของชาวโลกไฟ หลวงพ่อชัยนั่นก็พูดนะคล้ายๆกันนะั้นท่านบอกว่าอย่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยอย่าเป็นพระโพธิสัตว์เลยอย่าเป็นพระอาหารหันต์เลยอย่าเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นอะไรก็มีแต่ทุกข์อย่าไปอยากเป็นอะไรเลยอันนี้คือมันก็ที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรพวกเราฟังแล้วไม่ไม่ไม่เข้าใจคืออะไรน อันนี้ก็ก็ให้เข้าใจว่าไอ้คาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่สําคัญมันหมาเป็นอะไรนะไอ้ที่เป็นนั่นเป็นตามเป็นตามสมมุติของโลกของชาวโลกให้ลองลองพิจารณาดูนะว่าคนเรานี่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยแล้วไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไปยึดมั่นกับถือมั่นกับสิ่งที่เป็นเนี่ยมันจะทุกข์นะไม่ว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกนะ เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นพระอย่างเป็นพระเนี่ยนะเกิดสําคัญมากมายในความเป็นพระแล้วเห็นโยงเขาไม่ไม่ไหวนะเขาไม่พูดจามีสัมมาคารวะก็ทุกข์ก็โกรธนะนักปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดว่ามีคนมามาพูดว่าปฏิบัติธรรมอะไรนะไม่มีสติเลย ป, ปฏิบัติธรรมทำไมยังโกรธอยู่ ทุกจัดเลยนะอันนี้มันเป็นเป็นกิเลสของความสําเป็นกิเลสที่เกิดจากความสาคัญมาหมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล่คนเราเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวนะมันเป็นหลายอย่างนะเวลานึงเราก็เป็นแม่แต่ในอีกเวลาหนึ่งเราก็อาจจะเป็นลูกเวลาเราเจอลูกเราก็เป็นแม่ เกิดความสําคัญมาว่าเราเป็นแม่ลูกต้องเคารพแม่นะเวลาเจอแม่เราก็กลายเป็นลูกนะเราก็มีการประพติปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเวลาเราเจอฝรั่งเราก็กลายเป็นคนไทยเวลาเราเจอคนเหนือเราก็กลายเป็นคนใต้นะสมมติว่าเราเกิดที่สงขลานารา ความเป็นนั่นเป็นนี่ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์และบางทีมันก็เปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเช่นตอนนี้เป็นพระอยู่นะแต่เกิดได้ข่าวว่าฝรั่งเขาดูถูกคนไทยว่าขี้เกียจนะเอาแต่เอาแต่เสพเอาแต่เที่ยวไอ้ความเป็นพระนี่หายไปเลยนะความเป็นไทยมาแทนที่ก็โกรธฝรั่งที่พูดอย่างนั้น บางทีไปหลุดปากด่าว่าเขาจะเกิดเขาอยู่ตอนหน้าไอ้ตอนนั้นความเป็นพระหายไปแล้วไอ้ความเป็นคนไทยมันมาแทนที่แล้วก็ลืมความเป็นพระไปเลยก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่งไอ้ความสาคัญบานหมาเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์ง่ายไม่ว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปยึดมั่นถือมัน่น ไม่ต้องพูดถึงว่าการเป็นคนโง่การเป็นคนขี้เกียจการเป็นผู้แพ้อันนั้นนี่เราไม่พูดแล้วเพราะว่ามันมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าให้การเป็นอะไรที่มันธรรมดาธรรมดานี่ก็ทำให้ทุกได้เป็นแม่เป็นพ่อเป็นคนไทยเป็นนักปฏิบัติเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสเป็นศิทธวัดเป็นต้น อันเนี้ยที่เขาเรียกว่าครบชาติ์นะเวลาเราสำคัญสาคัญมาหมายว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยอันนี้เรียกว่าชาติเกิดขึ้นแล้วชาติในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวไม่ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างทารกที่ออกมาจากแม่อย่างเดียวในความเกิดทางจิตใจเช่นสําคัญเกิดเกิดหรือสําคัญมาหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าชาติ เพราะมันเกิดจากอุปาทานนะนะเราที่เรียนศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาก็จะพบว่าเนี่ยมันมีความมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันระหว่างนะตัณหาอุปาทานพบชาติเมื่อมีชาติแล้วมันก็เกิดฉรามมรณะฉรามมรณะคือความเสื่อมไม่ว่าเป็นอะไรมันก็หรือสําคัญมากกว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเสื่อมไปได้เหมือนกันเช่นเป็นคนเก่ง แต่พอเจอคนที่เก่งกว่าความสุกเป็นคนเก่งก็หายไปบางคนสอบได้ที่หนึ่งในจังหวัดพอมาเรียนในกรุงเทพมาเรียนเตรียมมาเรียนสวนกุหลาบบอกว่ากลายเป็นที่โหลไปเพราะว่าคนในห้องคนทั้งชั้นเุก่าเก่งกว่าให้ความเป็นคนเก่งกลายเป็นการกล า, า, ายเป็นคนไม่เก่งไปซะละ อันนี้เรียกว่าชะรามรณะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบเรียกว่าไม่ต้องใช้เวลานานไม่เหมือนกับคนคนหนุ่มกลายเป็นคนแก่แต่มันก็ไม่แน่นะเราอายุยี่สิบห้าเราคิดว่าเราหนุ่มเราสาวพอไปเจอเด็กอายุสิบห้านี่เรากลายเป็นแก่ไปเลยนะไอความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นคนแก่เมื่อเจอเมื่ออยู่ท่ามการเด็กอายุสิบห้าก็ทําให้ทุกข์ได้เหมือนกัน พวกนางแบบเนี่ยอายุยี่สิบห้าถือว่าแกแล้วเพราะว่าคนอนื่นเขาสวยกว่าเขาสาวกว่าถ้าสำคัญมากม า, กาฉันเป็นคนสาวเป็นคนอ่าเป็นคนสวยนี่พอเจอคนที่สวยกว่าเจอคนที่อายุอ่อนเยาวกว่าก็ทุกไปเลยอันนี้ก็เลยว่ามันเกิดชรามรณะขึ้นมานะเมื่อเกิดชรามรณะเกิดขึ้นอะไรตามมาก็ทุกอนะุปาญาต ทุกขาดโทมนัดอุปายาตนั่นเป็นอะไรเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นนี่มันสมมุติแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปสําคัญมั่นหมายมันจนว่าเป็นเรานะเพราะว่านั้นเป็นการเชื่อเชิญความทุกข์ให้เข้ามาหานะแต่ว่าถ้าจะเป็นนะก็เมื่อรู้ว่าเป็นสมมุติก็ใช้ให้เป็นนะ ไม่ใช่ปฏิเสธสมมติก็ใช้เป็นเช่นเป็นพระเนี่ยเราใช้สมมติแห่งความเป็นพระได้เช่นจะทําอะไรอย่างค า, ารวะก็ยับยังชั่งใจไม่ทําเพราะว่าเราเป็นพระอันนี้เขาเรียกมีสมณสัญญาใครพูดอะไรไม่ถูกใจอยากก็โกรธอยากจะด่าว่าเขาเสร็จแล้วก็ยับยังชั่งใจเพราะ อ, อเราเป็นพระนะเป็นพระเราต้องไม่พูดแบบนั้นหรือว่า เป็นผ้าเราต้องไม่โกรธด้วยอันนี้ก็เราเป็นการใช้สมมุติให้เป็นแต่ก็ไปอย่าสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรอันที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการมีการเป็นเรื่องการเป็นนี่มันก็ทําให้คนเราเป็นทุกข์แต่ที่จริงแล้วนี่มันยังมีแง่คิดอีกหลายอย่างนะเช่นคนเราเนี่ยเวลาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมีกิริยา อากับกริยาต่างกันเช่นเวลาสำคัญมาเป็นเจ้านายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะพูดจาแข็งแข็งหุ้นห้นนะแต่เวลาสำคัญมาหมาเป็นลูกน้องเนี่ยคําพูดคำจาของเราก็จะเปลี่ยนไปนะอาจจะทําตัวสุภาพเอามือกลุ้มที่เป้าเกงนะอันนี้เป็นอาการของความเป็นลูกน้อง จะมีความอดทนมากไปพิเศษแต่พอสำคัญม้ามาเป็นเจ้านายเนี่ยอาจจะเกิดโทสะได้ง่ายหุนหันพันแล่นได้ง่ายใครพูดมาถูกใจก็ตวาดใส่ตรงข้ามกับตอนที่สำคัญมามาเป็นลูกน้องจะจะอดทนได้มากกว่าเหมือนกับว่าคนเรานี่มันแสดงบทบาทจะมีอากับกิริยาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ บทบาทที่เป็นจะเรียกเป็นหัวโขนก็ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นหัวโขนและไม่ค่อยสาคัญมากๆเป็นหัวโขนเท่าไหร่แต่ที่จริงมันเหมือนกับบทบาทที่แสดงรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างตอนเป็นคนไทยก็แสดงอาการแบบหนึ่งพอพอเป็นพระ ก, ก็แสดงอาการแบบหนึ่งที่จริงแม้กระทั่งความสามารถนี้มันก็มีเกี่ยวข้องกับความสําคัญมากๆเป็นอะไรด้วยนะก็เคยมีการทดลองนะเอาคน เอาเด็กจากวันณะสูงกับวันณะต่ำในประเทศอินเดียเนี่ยประมาณสามร้อคนวันณะสามร้อยคนนี่มามาทำมาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเขาวงกฎนะก็คือขีดไปในกระดาษนะที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นแล้วปริศ น, นาแบบเขาวงกฎตอนที่เอาเด็ก6 0ร้อยคนมาเนี่ยมาทำ ปิษนามาตอบโจทย์ปิษณะขาวงกฏเนี่ยก็ทำได้ก็ทําได้เก่งกันทั้งนั้นไม่ว่าเด็กจากวันนักต่ําหรือเด็กจากวันนักสูงแต่พอเข า, เาให้หยุดพักแล้วก็ให้แต่ละคนเรียกชื่อบอกชื่อตัวเองเป็นใครพ่อเชื่ออะไรปู่เชื่ออะไรวันน้าอะไร เด็กก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมีวันนักสูงอยู่ในในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็เป็นการตอบยําว่าฉันนี่เป็นวันนักต่ำพอให้ทําแบบฝึกหัดอีกทีทํําทาโจทย์อีกทีนะปอกกัว่าเด็กที่มาจากวันนักต่ํานี่ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขณะที่เด็กจากวันนักสูงนี่ทําได้ดีทั้งที่ตอน ท, ทําทีแรกเนี่ยผลไม่ต่างกันเลยนะ แต่พอมีการแนะนําตัวว่าฉันนี่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรวันณาอะไรผลการทาแบบทดสอบนี่มันแปลแปลเปลี่ยนไปเลยวันณสูงทำได้ดีวันนาต่าทำไม่ดีอันนี้แปลว่าอะไรนะก็แปลว่าพอเกิดความสำคัญมาหมายว่าฉันเป็นคนวันนาต่าเนี่ยความรู้สึกว่าฉันเนี่ยสู้คนวันนาสูงไม่ได้ก็เกิดขึ้นเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมา ก็มีอีกกลุ่มนึงก็ไปทดลองนะกับคนอเมริกันเขาเลือกเฉพาะผู้หญิงเอเชียผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียความสามารถก็พอๆกันนะแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะก็จะสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเรื่องเพศของเขาว่าเช่นอยู่หอพักเป็นยังไงมีเพื่อนอยู่ร่วมหอพักกี่คนเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาเขาก็อยู่แยกกันตามเพศ อยู่หอชายหอหยิงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเชื้อสายเอเชียของเขาเช่นอยู่ที่บ้านพูภาษาอะไรพ่อแม่มาจากไหนบานะงคนก็บอกมาจากไต้หวันบางคนก็บอกบอกมาจากเกาหลีเสร็จแล้วก็ไอ้สองกลุ่มเนี่ยทาแบบ ฝึกหัดแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์บอกว่าเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะกลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนกลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเอเชียนเอเชียเนี่ยทำได้ดีเี่ก็แปลกนะทำไมมาถึงต่างกันทั้งทั้งที่2กลุ่มนี้ความสามารถก็พอๆกันแต่พอ พอสัมภาษณ์คนละแบบนี้ผลออกมาแตกต่างกันเลยคือในอเมริกาเนี่ยเ้าก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะทําจะไม่เก่งเรื่องคณิตศาสตร์นะแต่ในอเมยิกันก็มีความเชื่อว่าคนอเมริกันเชื่อสายเอเชียเนี่ยจะ ท, ทําคณิตศาสตร์ได้เก่งกว่าคนทั่วไป ตอนนี้ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็สอดคล้องนะกับความเชื่อก็อธิบายนี้ว่าเวลาไปถามผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวกับว่าก็เป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นการตอบย้ําสํานึกว่าฉันเป็นผู้หญิงพอมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพอทําแบบทดสอบคณิตศาสตร์ก็จะเกิดความไม่มั่นใจว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงนะทําไม่ได้ดีหรอก ส่วนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเป็นการปูทางให้เขาเกิดความสำนึกในความเป็นเอเชียนพอรู้สึกแบบนี้ว่าฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าฉันทําได้คณิตศาสตร์ได้ดีกว่าชนชาติอื่นได้มากได้ดีกว่าคนอเมริกันทั่วไปก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาง่าความมั่นใจก็ทําให้ ทำแบบทดสอบได้ดีส่วนคนที่ถูกตอกจำหรือถูกปูทางให้คิดสําคัญมากเอาฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะทําได้ไม่ค่อยดีเพราะเกิดความไม่มั่นใจอันนี้ก็แสดงเห็นว่าคนเรานี่นะมันก็มีหลายตัวตนนะถ้าพูดแบบภาษาทางทางโลกแล้วก็ถ้าถูกปลูกให้เกิดสํานึกในตัวตนแบบไหนเนี่ยมันก็มันก็มีอากัปกิริยาพฤติกรรมความสามารถแตกต่างกัน ถ้าปลูกความเป็นผู้หญิงขึ้นมาก็ทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ได้ไม่ค่อยดีถ้าปลูกสำนึกว่าฉันเป็นคนเอเชียก็ทำได้ดีเหตุฉะน้นะคนเราเนี่ยไอความเป็นสานึกว่าเราเป็นใครหรือว่าไอความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมัน ก, มนก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้นะอย่างที่บอกว้เราคนเรานี่เป็นอะไรหลายอย่างนะแต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกันนะ ปรเดี๋ยวก็เป็นแม่ประเดี๋ยวก็เป็นลูกประเดี๋ยก็เป็นโยมประเดี๋ยวก็เป็นนักปฏิบัติประเดี๋ยวก็เป็นเจ้านายแล้วแต่ว่าไอสิ่งที่เป็นแต่ละอย่างนี่มันก็มีทุกของมันเองเพราะมีกิเลสคนละแบบถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่ามันเป็นแค่สมมุติพอจริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้กระทั่งเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็ไม่ได้เป็น อันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถจะจะมีความเข้าใจหรือเข้าใจสภาวะแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกนะแต่แต่ตในที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ยังมีความสำคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ให้เรารู้ทันนะว่าเป็นอะไรก็ทุกทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่เป็นคนดีคนเก่งหรือเป็นคนคนเรวคนชั่วเท่านั้น แม้ก็ทัองเป็นเป็นอะไรที่มันธรรมดาธรรมดามันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีอุปทานนะแฝงอยู่เสมอในความสำนึกเหล่านี้นะครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อเขียนก็จะบอกหยาเป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรหลวงพ่อชาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างนะเพราะเป็นแต่และอย่างก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นพรูพเจ้า ก, ก็ก็ผู้เช่นเดียวก็พระองค์ไม่เป็นอะไรเลย นั่นส่วนคือว่าเป็นก็เป็นให้ถูกนะก็คือเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลามีก็มีให้เป็นนะคือมีให้ถูกต้องก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะว่ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรที่ยึดได้สักอย่างไอ้สิ่งที่มีก็เป็นมีโดยสมมุติมีโดยชั่วคราว ไอ้ที่เป็นก็เป็นโดยสมมุติเป็นโดยชั่วครา ว, ท เ, เ, า เ, วรเท่านั้นแหละเอาคำเดียวเพีงเท่านี้เอากราบพา่ะ